ข้าพเจ้าพำนักในสถานที่ซึ่งถ้าพูดกันตามภูมิศาสตร์อยู่ตรงศูนย์กลางของนครนิวยอร์กーーรวมทั้งตำบลใกล้เคียงแม้กระนั้นเมื่อข้าพเจ้าเดินออกจากบ้านเพียงนาทีเดียวจะมาถึงป่าซึ่งเป็นทิวยาวไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ไม่เคยถูกค้นเหมือนในป่าอื่นๆป่านี้ประกอบด้วยต้นแบล็เบอร์รี่ขึ้นอย่างหนาทึบและออกใบสีขาวเป็นปุยในฤดูใบไม้ผลิ มีกระรอกทำรังและเลี้ยงลูกอ่อนอย่างสุขสบายและมีหญ้าชนิดม้ากินขึ้นงามจนสูงถึงหัวมา้าพื้นที่อันเป็นป่าสงวนไว้นี้มีชื่อว่าส่วนว่นามันเป็นว่นาจริงๆอาจจะไม่แตกต่างกันกับว่านาที่โคลัมบัสมองเห็นในตอนบ่ายของวันที่เขาพบอเมริกาเขาพรเจ้าไปเดินเล่นบ่อยๆที่สวนสาธารณะนี้กับเร็กหมาบุกด็อกขนาดเล็ก พันบอสตันของข้าพเจ้ามันเป็นหมาตัวเล็กๆที่เป็นมิตรกับทุกคนและไม่เป็นอันตรายแก่ใครทั้งสิ้นและเนื่องจากข้าพเจ้ากับเจ้าเล็กไม่ค่อยจะได้พบใครในส่วนสาธารณะนี้ข้าพเจ้าจึงพามันไปด้วยกันโดยปราศจากเชือกผูกคอหรือฝาครอบปากครั้นแล้ววันหนึ่งเราได้เผชิญหน้ากับตำรวจม้าในส่วนสาธารณะนี้ตำรวจผู้ซึ่งกระหายที่จะอวดอำนาจของเขาขุนหมายความว่าอะไร คุณจึงปล่อยมาให้มีเสรีภาพวิ่งในสวนสาธารณะโดยไม่มีเชือกผูกคอและฝาครอบปากเขาดุข้าพเจ้าคุณไม่รู้หรอกหรือว่ามันผิดกฎหมายครับผมรู้ดีว่าเป็นการผิดกฎหมายข้าพเจ้าตอบเสียงอ่อนโยนแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายแก่ใครในที่ตรงนี้คุณไม่คิดคุณไม่คิดกฎหมายไม่เอาใจใส่หรอกว่าคุณจะคิดนรกหมกไหมอะไรของคุณหมามันอาจทําร้ายกับรอกตายหรือกัดเด็กๆเข้าก็ได้สําหรับคราวนี้ผมจะไม่เอาโทษ แต่ถ้าในคราวต่อไปผมจับได้ว่าหมาตัวนี้มาที่นี่โดยไม่มีฝาครอบปากและมีเชือกจูงคุณก็จงไปแก้ตัวกับผู้พิพากษาก็แล้วกันข้าพเจ้าให้สัญญาโดยดีว่าจะเชื่อฟังทุกอย่างข้าพเจ้าเชื่อฟังจริงๆแต่เพียงสองสามครั้งเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเจ้าเล็กไม่ชอบฝาครอบปากและข้าพเจ้าเองก็ไม่ชอบใส่ให้มันดังนั้นเราจึงลองเสี่ยงดูการมาเที่ยวที่สวนสาธารณะกับเล็กวันนั้นปรากฏว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปโดยปลอดโปร่งครู่หนึ่งแต่ครั้นแล้วเราได้พบกับความไม่ราบรื่นอันไม่พึงปรารถนาเข้าอีกบ่ายวันนั้นเร็กกับข้าพเจ้าวิ่งแข่งกันที่บนเนินซึ่งที่นั่นในทันทีทันใดด้วยความตโกนกตกใจข้าพเจ้าเห็นผู้รักษากฎหมายนั่งตรงงานคร่อมอยู่บนหลังม้าสีน้ำตาลปนแดงเร็กวิ่งขึ้นหน้าข้าพเจ้าและควบตรงไปยังเจ้าหน้าที่ผู้นั้นข้าพเจ้าเจอเข้าแล้วข้าพเจ้ารู้ดีว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่คอยท่าให้ตำรวจผู้นั้นเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดข้าพเจ้าเป็นฝ่ายเปิดฉากเรื่องนี้ขึ้นก่อนข้าพเจ้าพูดผู้รักษากฎหมายครับคุณจับผมได้คาหนังคาเขาผมได้ทําผิดผมไม่ขออ้างข้อต่อสู้ไม่ขอแก้ตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณก็ได้เตือนผมแล้วว่าถ้าผมพาหมาตัวนี้มาที่นี่โดยไม่มีฝาครอบปากคุณจะปรับผมที่จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดด้วยเสียงอ่อนโยนผมรู้ดีว่าที่นี่ในเมื่อไม่มีใคร มันมีสิ่งเร้าใจให้ปล่อยหมาเล็กๆเกที่ยววิ่งเล่นอย่างที่สุดถูกแล้วครับมันเร้าใจมากข้าพเจ้าตอบแต่มันผิดกฎหมายที่จริงหมาตัวเ ล, เล็กอย่างนี้คงจะไม่เป็นอันตรายแก่ใครตำรวจผู้นั้นคัดค้านมีได้ครับมันอาจจะกัดกระรอกตายก็ได้ข้าพเจ้าพูดที่จริงผมคิดว่าคุณถือเอาเรื่องนี้มาเป็นอารมณ์มากเกินไปสักหน่อยเขาบอกข้าพเจ้าผมจะแนะนําว่าคุณควรปฏิบัติอย่างไรคุณจงปล่อยให้มันวิ่งข้ามเนินไปทางโน้น เพื่อผมจะได้ไม่เห็นมันแล้วเราลืมเรื่องนี้กันเสียให้หมดตำรวจผู้นั้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งต้องการมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ากล่าวปรักปรมลงโทษตนเองมีหนทางเดียวเท่านั้นที่หนุนความยิ่งใหญ่ของเขาให้เด่นขึ้นนั่นก็คือด้วยการแสดงกิริยาท่าทีว่าเป็นคนใจกว้างและมีเมตตาการุณาถ้าสมมติว่าข้าพเจ้าพยายามแก้ตัวผลก็คือนี่แนะ่ท่านท่านเคยโต้ยแย้งกับตำรวจบ้างไหม แต่แทนข้าพเจ้าจะพูดอย่างพงผางกับเขาข้าพเจ้ากลับยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายถูกทุกประตูและข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิดทุกประตูข้าพเจ้ายอมรับในทันทีทันใดรับอย่างเปิดเผยและด้วยความร้อนรนกระวนกระวายเหตุการณ์ได้จบลงอย่างละเมียดละไมโดยข้าพเจ้าเข้าข้างเขาและเขามาเข้าข้างข้าพเจ้าแม้จะเป็นลอสเชสเตอร์ฟิลด์ก็คงไม่ภูมิใจในความเมตตากรุณาของเขาเกินไปกว่าตำรวจม้าผู้นี้ซึ่งเมื่อสัปดาห์หนึ่งมาแล้ว ขูว่าจะจับข้าพเจ้าส่งให้กฎหมายจัดการถ้าเรารู้ตัวว่าเราได้ทำผิดจะไม่ดีกว่าหรือที่เราจะกล่าวถึงความผิดของเราก่อนอีกฝ่ายหนึ่งจะแย้มปากการตําหนิติเตียนตนเองย่อมจะน่าฟังกว่าให้คนแปลกหน้ามาตําหนิตีเตียนเราใช่ไหมท่านท่านจงพูดปรับปรำลงโทษตัวของท่านในประการต่างๆถ้าหากท่านรู้ตัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิด หรือต้องการจะพูดหรือตั้งใจจะพูดอย่างไรและท่านจงพูดก่อนอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสแย้มปากซึ่งเป็นการลดความโมโหโทสูของเขาให้สงบลงได้จากการกระทําเช่นนี้ท่านมีโอกาสอันงามร้อยต่อหนึ่งที่จะจูงใจให้เขาเป็นคนใจกว้างเปลี่ยนท่าทีอ่อนโยนไปในทางให้อภัยและจะเห็นความผิดของท่านเป็นสิ่งเล็กน้อยทานองเดียวกับตารวจม้าผู้นั้นปฏิบัติต่อข้าพเจ้าและเจ้าเล็กเฟอร์ดินานต์อีโเรน จิตกรผู้ทำงานคุกครีอยู่ในวงธุรกิจได้ใช้เทคนิคอันนี้ชนะไมตรีจิตจากผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นคนขี้หงุดหงิดและจู้จี้การวาดภาพเพื่อโฆษณาและเพื่อการตีพิมพ์เป็นงานที่มีความสำคัญมากกล่าวคือจะต้องให้ถูกต้องและเหมาะเจาะทุกอย่างมิสเตอร์วอเรนกล่าวขณะเขาเล่าเรื่องนี้หน้าชั้นบรรณาธิการฝ่ายศิล ป, ปะบางคนส่งงานมาให้ทำเป็นการด่วนและในกรณีงานด่วนเช่นนี้ย่อมจะมีการผิดพลาดไปบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดา ผมรู้จักบรรณาธิการฝ่ายศิละปะผู้หนึ่งซึ่งมีบางอย่างพิเศษไปกว่าคนอื่นๆคือชอบจับผิดในสิ่งเล็กๆน้อยๆผมมักจะเดินออกจากสำนัก ง, งานของเขาด้วยความรู้สึกขึงเครียดเกลียดชังไม่ใช่เพราะคำตำหนิตีเตียนของเขาหรอกแต่เพราะกิริยาท่าทางประกอบคำพูดในการเล่นงานผมเมื่อเร็วๆนี้ผมส่งงานที่จัดทำอย่างรีบรวนให้บรรณาธิการคนนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาโทรศัพท์เรียกตัวผมให้ไปหาเขาโดยเร็วเขาเพียงแต่บอกว่า รูปนั้นมีบางอย่างวาดผิดความประสงค์เมื่อผมมาถึงผมได้พบในสิ่งที่ผมคาดคะเนและหวาดกลัวล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วกล่าวคือท่าทางของเขาบอกอาการว่าจะเอาเรื่องกับผมและฉวยโอกาสตําหนิรูปของผมทันทีเขาตั้งคําถามในอาการฉุนเฉียวว่าทําไมผมจึงได้วาดอย่างนั้นอย่างนี้โอกาสของผมที่จะปฏิบัติตามหลักการติดเตียนตนเองซึ่งผมได้ศึกษามาถึงแล้วด้วยเหตุนี้เองผมจึงพูดคุณครับ ถ้าตามที่คุณพูดเป็นความจริงต้องนับว่าเป็นความผิดของผมและผมจะไม่ขอแก้ตัวสำหรับความผิดนี้แต่อย่างไรทั้งสิ้นผมวาดรูปให้คุณมานานพอซึ่งผมน่าจะรู้ว่าวาดอย่างไรจึงเรียบร้อยผมรู้สึกอายคุณเหลือเกินปรากฏว่าในทันทีทันใดนั้นเองเขาได้เริ่มแก้แทนผมถูกแล้วคุณถูกแล้วทว่ามิได้เป็นความผิดที่สลักสำคัญอะไรเลยมันเพียงแต่ผมขัดคำพูดของเขาในทันทีจะผิดมากน้อยเท่าใดก็แล้วแต่ผมพูด ต้องนับว่าทําให้เกิดความเสียหายและทําให้คุณโกรธเขาพยายามจะแยง้งแต่ผมไม่ยอมให้เขาพูดผมกําลังได้รับความสนุกสนานในการตีเตียนตนเองนับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมตีเตียนตนเองเช่นนี้และผมรู้สึกพอใจอย่างยิ่งผมน่าจะระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยผมพูดต่อไปคุณให้งานผมทํามามากต่อมากคุณควรจะได้งานที่ดีที่สุดจากผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะวาดให้ใหม่ทั้งหมดไม่ต้องไม่ต้องเขาค้าน ผมไม่ได้มีความคิดไปในทางที่จะให้คุณได้รับความลำบากถึงขนาดนั้นครั้นแล้วเขาชมเชยงานของผมและยืนยันว่าเขาเพียงแต่ต้องการให้ผมเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยและว่าวาดผิดนิดหน่อยเท่านี้ไม่ได้ทำให้บริษัทของเขาเสียหายเงินทองอย่างใดเลยและเมื่อสรุปแล้วเพียงแต่เป็นสิ่งปลีกย่อยเท่านั้นเองไม่ถึงกับจะเอามาถือเป็นอารมณ์การที่ผมแสดงกิริยากระตือรือร้นในการตีเตียนตนเองสามารถประงับความต้องการของเขา ที่จะเล่นงานผมอย่างเต็มที่เสียหมดสิ้นเขาพิดฉากเรื่องนี้ด้วยการพาผมไปกินอาหารกลางวันและก่อนเป่าลาจากกันเขาให้เช็คผมสําหรับค่ารูปและให้งานอีกชิ้นหนึ่งคนโง่มักจะพยายามแก้ตัวเมื่อได้ทําผิดและคนโง่ส่วนมากต่างปฏิบัติเช่นนี้แต่ด้วยการสารภาพผิดอย่างน่าชื่นตาบานไม่เพียงจะทําให้คนเรากลายเป็นผู้อยู่เหนือกว่าฝูงสัตว์หากจะทําให้มีใจสูงขึ้นด้วย ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกยกย่องชมเชยนายพลโรเบิร์ตอีลีไว้อย่างหรูหราชมเชยในฐานะเขาโทษ ต, ตัวของเขาและตัวของเขาแต่ผู้เดียวเท่านั้นในความล้มเหลวแห่งการโจมตีของนายพลบิเกตที่เมืองเกตตีสเบิร์กการโจมตีของบิเกตนับว่าเป็นพฤติการอันเรื่องลือที่สุดและเป็นภาพน่าสะดุดใจที่สุดเท่าที่เคยเปิดฉากขึ้นในทางโลกในด้านทิศตะวันตก ตัวพิกเกตเองก็ทำตนให้เป็นบุคคลที่น่าสะดุดใจอยู่ไม่น้อยเป็นต้นว่าเขาไว้ผมยาวจนเกินต้องการกระทั่งปลายขมวดผมสีแดงปนน้ำตาลของเขาเกือบจะรดไหลและทำนองเดียวกับพระเจ้านาโปเลียนตอนทำสงครามในดินแดนอิตาลีเขาเขียนจดหมายรักอันไพเราะพร้อพริ้งในสนามรบเกือบทุกวันวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมเป็นวันที่เหตุการณ์อันน่าสยดสยองอุบัติขึ้น เขาขี่ม้านำหน้าทหารซึ่งเลื่อมส่บูชาเขาและต่างหัวร้องอย่างคึกขนองไปยังแนวที่มั่นของฝ่ายรัฐบาลใบหน้าของเขายิ้มแย้มร่าเริงหัวครอบหมวกแก๊ปเอียงกระเทเร่อยู่ทางหูขวาทหารของเขาซึ่งยิ้มแย้มร่าเริงทานองเดียวกันต่างเดินแถวเรียงสองตามเขาไปแถวแล้วแถวเล่าพร้อมด้วยธงโบกสะบัดอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์และหอกปลายปืนทรงประกายแป ล, บปลาบเป็นภาพการเดินแถว เพื่อไปประจันบานกับข้าศึกอันเต็มไปด้วยความฮึกเหิมองอาจเท้าหานและสง่างามแม้แต่ทหารฝ่ายรัฐบาลเมื่อได้เห็นภาพนี้จะเว้นพึมพำชมเชยเสียไม่ได้กองทหารของนายพลพิกเกตเคลื่อนมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผ่านส่วนผลไม้และไร้ข้าวโพดข้ามทุ่งหญ้าและขึ้นสู่ช่องเขาตลอดเวลาปืนใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งปลายกระบอกยื่นออกจากช่องหิน หันมาทางแถวทหารเหล่านี้แต่เขาต่างพากันรุดหน้าเดินแถวต่อไปหน้าตาเคร่งเครียดถมึงถึงพร้อมที่จะห้ามหันข่าสึกอย่างไม่ถอยหลังทันทีทันใดนั่นเองทหารฝ่ายรัฐบาลได้ออกจากที่ซ่อนเบื้องหลังขดหินแห่งเนินเขาเซมิเตอรีริทและระดมยิงเป็นหาฝนตรงไปยังกองทหารของพิกเกตซึ่งไม่ทันมีโอกาสป้องกันตัวหน้าบัดนั้นเองเนินเขาเป็นสีแดงอยู่ด้วยประกายเพลิงจากปากกระบอกปืนนับไม่ถ้วน และเนินเขานั้นได้กลายเป็นโรงฆ่าสัตว์และดูประดุดภูเขาไฟกำลังพุ่งเพลิงออกจากปล่องเพียงเวลาไม่กี่นาทีนายทหารผู้บังคับบัญชากองฐานเหล่านั้นถูกกระสุนปืนล้มระเนระนาดและปลอดภัยอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นในเมื่อพลทหาร 4,000 คนในจำนวน 5,000 ถูกกระสุนล้มลงเหมือนมดปลวกนายทหารคนหนึ่งชื่ออามิสเตสได้นาหน้าทหารที่เหลือเพื่อการเสี่ยงโชคเป็นครั้งสุดท้าย วิ่งกระโดดพุ่งข้ามขดหินและด้วยการใช้หมวกแก๊บซึ่งเสียบอยู่บนปลายดาบโบกไปมาเขาร้องตะโกนให้มันกินเหล็กเถิดพวกเราทหารเหล่านั้นปฏิบัติตามคำสั่งต่างพากันกระโดดข้ามขดหินใช้ดาบปลายปืนแทงศัตรูใช้ผ่านท้ายปืนฟาดหัวกระหมองและปักธงประจำกองของพวกใต้ลงบนเนินเขาเซมิเตอริริแม้ว่าธงบกสะบัดอยู่เพียงขณะเดียวเท่านั้นก็ตามแต่ถึงจะเป็นขณะเดียว เวลาซึ่งสั้นอย่างเหลือเกินหากเป็นเกียรติประวัติอันสูงเด่นของพวกฝ่ายใต้มาดว่าการโจมตีของทหารในบังคับบัญชาของนายพลพิกเกตจะเป็นการกระทาอย่างกล้าหาญและเป็นที่เรื่องลือก็จริงแต่นับว่าเป็นการเริ่มต้นไปสู่ความประชัยอันย่อยยับนายพลลีตระหนักดีแล้วว่าเขาประสบความล้มเหลวที่จะบุกพวกเหนือเสียแล้วพวกใต้ตกอยู่ในฐานะรอวาระสุดท้าย นายพลลีเศร้าเสียใจในเหตุการณ์อันนี้อย่างยิ่งและถึงกับตลึงงานจนแทบเสียขวัญเขาส่งใบลาออกไปยังประธานาธิบดีฝ่ายใต้เยฟเฟอร์ซันเดวิสและขอให้แต่งตั้งแม่ทัพที่หนุ่มกว่าและมีสมรรถภาพเหนือกว่าเขาถ้าหากนายพลลีประสงค์จะโทษการโจมตีอันล้มเหลว อ, อย่างย่อยยับของพิกเกตแก่ใครสักคนเขามีหลักฐานอยู่หลายสิบประการที่จะทำเช่นนั้นได้โดยง่ายเป็นต้นว่า ความล้มเหลวทั้งนี้เกิดมาจากนายทหารผู้บัญชาการกองพลต่างๆทหารม้ามาไม่ทันเวลาเพื่อช่วยกันโจมตีของทหารราบอย่างไรก็ตามความผิดพลาดอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งที่ไม่มีทางแก้ไขแต่นายพลลีเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยภูมิธรรมสูงเกินไปกว่าจะโทษผู้อื่นตอนทหารเดนตายของปิกเกตซึ่งพ่ายแพ้อย่างนองเลือดตะเกียกตะกายหนีกลับมายัางที่ตั้งของกองทหารฝ่ายใต้ในายพลโรเบิร์ตอีลี ขีม้าไปต้อนรับแต่ผู้เดียวเขาโค้งให้ทหารเหล่านั้นด้วยเขาหน้าแห่งผู้สํานึกในความผิดของตนทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าพเจ้าเองเขาสารภาพข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเหตุให้การรบครั้งนี้ต้องพ่ายแพ้มีแม่ทัพอยู่เพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยที่มีความกล้าพอและมีคุณสมบัติดีงามพอจะยอมรับเช่นนี้เอลเบิร์ดฮับเบิร์ด ผู้เป็นนักประพันธ์ที่มีความคิดใหม่หมๆแปลกๆของตนเองและเป็นผู้แต่งหนังสือให้เกิดความเกรียวกล่าวกันตลอดทั้งชาติมีอยู่บ่อยๆที่ประโยคอันเผ็ดร้อนในบทความของเขายั่วให้ผู้อ่านพรุ่งพลานด้วยความเดือดดานแต่ฮับเปิดผู้เชี่ยวชาญอย่างยากจะหาผู้เสมอเหมือนในการติดต่อกับผู้อื่นมักจะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรไปเป็นต้นว่า มีผู้อ่านคนหนึ่งเกิดความโมโหขึ้นมาเมื่ออ่านบทความชิ้นหนึ่งและเขียนจดหมายถึงฮับเบิดว่าเขาไม่เห็นพ้องด้วยในบทความนั้นๆและตอนท้ายด่าฮับเบิดต่า ง, างนนๆนานาซึ่งฮับเบิดเขียนตอบดังนี้ท่านโปรดรับรู้ด้วยว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นพ้องกับบทความของผมไปเสียหมดทุกอย่างสิ่งใดที่ผมเขียนเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ยึดมั่นอยู่ในสิ่งนั้นจนถึงวันนี้เลยผมยิน ด, ดีมากที่คุณเอาใจใส่ต่อมันถ้าหากคุณผ่านมาที่ถิ่นนี้อีกในคราวหน้า อย่าลืมแวะบ้านของผมเพื่อเราจะได้คุยกันถึงเรื่องนี้อย่างเต็มที่ผมขอส่งมิตจิตมาโดยทางอันไกลนี้ด้วยศึจริตเสมอท่านยังจะถือโกรธแก่ผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้ได้ลงคอเทวหรือเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกเราจงชักจูงอีกฝ่ายหนึ่งให้มาสู่แนวทางแห่งความคิดของเราอย่างสุภาพและนุ่มนวลและเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดถ้าเรามีใจเที่ยงตรงเราจะพบความจริงว่าเราเป็นฝ่ายผิดบ่อย เราจงยอมรับผิดโดยเร็วและด้วยความร้อนรนกระวนกระวายวิธีรับผิดนี้ไม่เพียงแต่จะนำผลอนาพิศวงมาให้เท่านั้นหากท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามโดยการใช้วิธีเดียวกันนี้จะทำให้เราเกิดอารมณ์สนุกยิ่งกว่าพยายามแก้ตัวโปรดจำสุภาษิตเก่าด้วยการต่อสู้ท่านจะมีได้รับเป็นที่พอใจแต่ด้วยการยอมจานนท่านจะได้รับมากกว่าที่ท่านหวังดังนั้น ถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิดของท่านขอแนะนำว่าจงจำกฎที่สามซึ่งมีดังนี้ถ้าท่านผิดจงรับผิดโดยอย่าได้รอช้าและรับด้วยเสียงหนักแน่น